165. อุคคหิตะปฏิคหานาว่าด้วยการรับประเคนของที่จับต้องแล้วเรื่องรับประเคนผลไม้ที่จับต้องแล้ว 275. สมัยนั้นภิกษุหลายรูปอยู่จำตลอดพันษาในแคว้นกาสีแล้ว เดินทางไปกรุงราชครืเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคระหว่างทางไม่ได้โภชนอาหารธรรมดาหรือที่ประนีตตามต้องการเลยแม้ว่าของเคี้ยวคือผลไม้จะมีมากแต่ไม่มีกัปปิยะการบพากันลาบากจึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคณนะพระเวรุวนันเขตกรุงราชครื สถานที่ให้เหยื่อกระแต์ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรการที่พระพุทธเจ้าทรงปราศัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือเดินทางมาไม่ลาบากหรือและพวกเธอมาจากที่ไหนภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข่ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข่าขอพระราชทานพระวโรกาสพวกข้าพระองค์จำพรรษาในแคว้นกาสี เดินทางมากรุงราชคเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคระหว่างทางไม่ได้โภชนะอาหารธรรมดาหรือที่ประนีตามต้องการแม้ของเคี้ยวคือผลไม้จะมีมากแต่ก็หากัปิยาการกไม่ได้ดังนั้นจึงเดินทางมาลำบากพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค แสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเห็นของเคี้ยวคือผลไม้ที่ใดถึงไม่มีกับปิยาการกเราอนุญาตให้หยิบนำไปเองพบกับปิยาการกแล้ววางไว้บนพื้นดินให้เขาประเคนแล้วฉันได้ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รับประเคนสิ่งของที่จับต้องแล้ว